ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุณีฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพักขีกั้นร่มและสวมรองเทา้าในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน เกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอรกะโรมะสมุดฐานละ